บทภาชีนีติกะปาจิตตีรยยี2สิปดปรัมปราโภชนะภิกษุสําคัญว่าปรัมปราโภชนะฉันนอกสมัยต้อง อ, อบัตปาจิตตีปรัมปราโภชนะภิกษุไม่แน่ใจฉันนอกสมัยต้องอบัตปาจิตตีปรัมปราโภชนะภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ปรัมปราโภชนะฉันนอกสมัยต้องอบัตปาจิตตีทุ ก, กทุกกฎไม่ใช่ปรัมปราโภชนะภิกษุสําคัญว่าปรัมปราโภชนะต้องอบัตทุกกฎ ไม่ใช่ปรำพระโภชนะภิกษูไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ปรำพระโภชนะภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ปรำพระโภชนะไม่ต้องอบัต